และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกา ส, สเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหะญาตราทางชลมากในพระราชพิธีบ ร, รมาราชาพิเศษเบื้องปลายวันที่12ธันวาคมศนี้พระราชพิธีบ ร, รมาราชาพิเศษพุทธศกราช2562ครั้งหนึ่งในชีวิตกับพระราชพิธีสำคัญยิ่งของคนไทย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 คุณอาทิตยาปกรณ์นังและผมปิยพงษ์เคนทวายครับสวัสดีค่ะคุณฟังคารสวัสดีค่ะคุณปียพงษ์ะะกลับมาแล้วนะฮะวเบลคําทูไทยแลนด์ด้วยบางท่านบอกโ <c oughs> อ้เธอไปไหนมาหรือนะคะ <c oughs> อะจริงๆเนะีเดินทางไปที่ต่างประเทศมามไปเกาหลีใต้มาก็ไปรับเขาเรียกว่าอ ย, อย่าเรียกว่าลมหนาวนะปียพงษ์เรียกว่าหนาวมากๆนะคะเพราะว่าที่ไทยเนี่ยอย่างที่เราได้ดูกันตอนนี้เขาบอกว่าทางเหนือก็หนาวใช่ไหมแต่ว่าที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาติดลบโอ้ปรากฏว่าเราไปในช่วงที้ ว่าโอ้โหอากาศติดลบนะและกลับมาไทยร้อนมากๆเลยจริงๆนะคะก็ครั้งนี้เรียกว่าเป็นประสบการณ์หลายอย่าง ในการเดินทางไปเกาหลีใต้นะอย่างแรกเลยเบียบโพงก็คือเรื่องของด่านตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้เห็นคุณแบบเล่ากันมาบรรยากาศก็คือจากคนอื่นเจอแต่คุณไม่ได้เจอนะแต่คไม่ได้เจอแต่ทีมแต่ทีมทีมทีมคณะทัวร์ของคุณคณะเพื่อนๆพื่ที่เดินทางไปนะคุณฟังก็มีเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งนี่แหละเขาก็ไปทำพาสปอร์ตมาใหม่นะแต่ว่าประวัติเดิมเนี่ยก็เคยเดินทางในหลายประเทศมาเหมือนกันนะไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงไปจีนแบบนี้นะคะแต่ว่า ปรากฏว่าติดตอมอมิพงก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งนะคะว่าอย่างนั้นนะปรากฏว่าถูกปล่อยตัวมาได้เพราะว่ามีเรื่องของการยืนยันจากเพื่อนๆก็มีดิฉันแล้วก็เพื่อนๆในทริปนั่แหละที่ยืนยันว่าเออเราเดินทางมาเพื่อที่จะมาท่องเที่ยวจริงๆนัเป็นชะอริสนะฮาว t o หน่อยฮาวทูสั้นๆหน่อยอถ้ามีลูกทัวร์ของเราแบบไปกันอเองเ <laughs> พราะว่าเราไปกันเองไงเราไม่ได <laughs> ้ไปกับลูกทัวร์นะเราไปกันเองค่ะ แล้ววิธีการยังไงสมมุติว่าลูกทัวร์ของเราสมาชิกของเราติดอยู่ในต่อมอมวิธีการคือ ต้องต้องต้องต้องทำอย่างเงี้ยต้อ ง, งอยู่ด้วยรอดูติดตามหรือต้องเฝเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าแหละท่านบอกว่าเวลาเราจะเดินทางไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของการไปเกาหลีใต้เป็นเรื่องน่ากลัวมากเพราะว่าคนที่เคยเดินทางไปเนี่ยแล้วแล้วไม่ผ่านตอมอลเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าล่าสุดในเคสล่าสุดเนี่ยเพื่อนเนี่ยก็ไปแล้วเราก็แพลนทุกอย่างไปพร้อมเลยนะว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างแต่ปรากฏว่าเมื่อไปยื่นเอกสารนะตรงนั้นเนี่ยเมื่อไปแนะนําและพูดเนี่ยเพื่อเพื่อสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะนะคะคุณผู้ฟ แต่ปรากฏว่าทางตมอเองเนี่ยเขาบอกว่าแผนมันไม่แน่นอืมแล้วในพื้นที่บางอย่างเองเนี่ยซึ่งเรารู้ในหมู่คนไทยว่าอันนี้คือที่ท่ทองเที่ยวนะเป็นคาเฟ่ที่น่ารักเป็นคาเฟ่ที่ถ่ายวิวสวยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตมเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักอ่านะคะซึ่งสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการยืนยันตัวตนจริงๆนะคะก็อย่างที่บอกก็คือ ก็ยืนรอเพื่อนนี่แหละนะคะก็รอกันอยู่ 3-4 คนเลยแหละเพื่อจะยืนยันนะว่าเพื่อนในเดินทางมาท่องเที่ยวจริงๆเพราะว่าการยืนยันเนี่ยนะคะมันก็บอกได้หลายแบบนะเพี่พงศ์อย่างแรกเลยก็คือคนที่ยืนยันปุ๊บเนี่ยทางฝั่งตอมอเองที่เขามาดูเพื่อนที่มายืนยันเนี่ยเขาก็จะสังเกตเพื่อนด้วยนะว่าเพื่อนที่ยืนยันนั้นเนี่ยเป็นคนที่มาเที่ยวจริงหรือเปล่าหรือเป็นผีน้อยหรือเปล่านะคะและอย่างที่2ก็คือเมื่อยืนยันแล้วเนี่ยเขาจะมีรายชื่อของเพื่อนที่มาในทวิปเดียวกันทั้งหมด ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้กลับประเทศไทยในเวลาที่กำหนดจริงๆ ค, คุณก็จะโดนแบ็ k ลิสต์กันยกทีมอืมอ่านะะแบบนี้เลยคือส่วนหนึ่งคือถ้าไปเป็นเป็นแบบแบ็ k แพ็ k ก็คือส่วนหนึ่งคือ<ช>ต้องจำชื่อเพื่อนให้หมดต้องจำชื่อเพื่อนอ่าถ้าพ่อบางทีเราอาจจะเอ้ยคนเพื่อนของเพื่อน คือจริงๆเนี่ยมันมันเสี้ยววิจริงๆเพราะเพื่อนบอกว่าเขาเนี่ยอาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่โทรมาคโทรมาคุยเนยนะคะเขาก็กำลังจะตัดบทแล้วว่าจะส่งเพื่อนกลับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเพื่อนก็รีบตะโกนบอกไปบอกว่า ให้เพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยก็คือดิฉันกับเพื่อนๆที่รออยู่ข้างนอกเนี่ยยืนยันได้ไหมว่าเขามาเพื่อเที่ยวจริงๆไม่ได้มาเพื่อจะมาเป็นแรงงานหรือว่าไม่ไม่ถูกกฎหมานยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเขาก็เลยถือเหมือนกับว่าเป็นเป็นใบกระดาษนะแล้วเขาก็มีรายชื่อของคนที่บุก킹มากับเพื่อนดิฉันทั้งหมดเนี่ย อ, อีกสามสี่คนเนี่ยเขาก็เดินออกมาพร้อมรายชื่อทั้งหมดซึ่งเรายือนอยู่ตรงนั้นพอดีไงมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคอเขาก็ยอมปล่อยเพราะว่าก็เห็นว่าเพื่อนเนี่ยรออยู่พราะใปกติแล้วเนี่ย ถ้าเกิดที่ที่เรายืน อ, อยู่นะก็ไม่มีใครรอนะคือคือเราจาสันนิษฐานาแล้วก็ค า, าดการว่าถ้าเป็นในกลุ่มของแคสเปอร์จริงๆเนี่ยผีน้อยจริงๆเนี่ยถ้ารอดก็ไปเย้ยเราก็จะไม่รอกันใช่แล้วเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่เราจะถูกดึงตัวกลับด้วยถูกต้องอแต่เ ร, เราก็เอาตัวเองแบบยืนยันตัวเองว่า ชันมาเที่ยวจริงๆเอาจริงๆนะหูฟังนี่แหละมันเป็นผลเป็นประสบพวงเป็นประสบการณ์ะคือส่วนหนึ่งอันนี้ก็บอกว่าที่หลายคนบอกโอ้ยเจอจริงหรือเปล่าผมงคบอกว่านี่นี่คุณทีมคุณอิติยานะกับหลายๆท่านเนี่ยคุณอริษาด้วยนะก็แก๊งเดียวกันแก๊งลูกทัวร์ด้วยกันเนี่ยไปด้วยกันคือคุณไปก็ไม่ค่อยเจอแต่ว่าเราก็คาดว่าคนนี้น่าจะเจอ เราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเราก็มีความเป็นห่วงนะเราก็เตรียมการทุกอย่างเพื่อยืนยันตัวตนนะคุัวฟังว่าว่าเราเป็นโทัร์จริงๆนะไม่ได้เตรียมตัวจะหนีนะเตรียมตัวเพื่อยืนยันตัวตนว่าเออถ้าเจอเคสแบบนี้จริงเนี่ยเราจะรับมือยังไงคือเตรียมทุกอย่างเตรียมแม้แต่เอกสารของการทํางานทั้งหมดนะคะว่าทํางานที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็เพื่อนมีการเปลี่ยนชื่อก็เอกสารเปลี่ยนชื่อด้วยของทางราชการออกให้เลยนะแล้วก็มีการแปลภาษาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้มันมันไม่ได้ใช่เลยอ่ะมันมันเป็นเรื่องของการคุยแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่วน ถือถือเป็นเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าถ้าบ้านเราก็เรียกว่าอยู่ในดุลยพินิษของเจ้าที่เนาะเนาะว่าไหมอ๋อจริงจนะฉันยื่นตอเองนะว่าตุ้มตอมนะพี่อ๋อคือเราทําเต็มที่แล้วอ่ะบางคนแบบว่าฉันก็บริสุทธิ์ใจอ่ะจากวงคนรีวิวอ่านติดตามรีวิวเยอะนะคุณก็อ่านเยอะผมก็ติดตามอยู่พอสมควรบางคนก็ผมก็พยายามหาข้อมูลไว้เบื้องต้นเพราะว่าอ่าบางคนเขาก็มีสะตุ้งสตางมีความต้องการจะไปเที่ยวอย่างบางคนแบบ ไม่ฟังอ่ะใช้จะส่งเธอกลับอะไรอย่างเงี้ยแต่มีมีหลายเคสแต่เดี๋ยวนี้นี่ยหลาสายการบินนะคุณเปี่ยพงศ์เขาจะมีการสอบถามผู้โดยสารก่อนว่าเมื่อจะเดินทางไปที่เกาหลีใต้เนี่ยคุณแลกเงินไปเท่าไหร่อืนะคะถ้าเกิดว่าแลกไปน้อยเนี่ยคุณไม่ผ่านออเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือ แลกไปน้อยเนี่ยแล้วหมายความว่าไงแล้วจะอยู่ยังไงอ่าแล้วจะอยู่ยังไงใช่หคะแต่ถ้ามีพื้นฐานเนี่ยยังต่ำก็1 5 0 0 0หมท่นับาทนะส่วนใหญ่แล้วนะที่ทีฉันไปลองดูที่เขาแชร์กันมานะว่าสายการบินเนี่ยเขามีการสอบถามยังไงบ้างอ้ามีประสบการณ์อื่นๆเดี๋ยวจะมาแชร์กันใหม่นะฮะเพราะคนมีประสบการณ์เยอะได้ตัวจริงจโอ้เดี๋ยววันนี้จะไปเคลียร์ก่อนวันนี้ไปเคลียร์จดสารก่อนมีีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเคลียร์นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเอามาต่อกันแน่เรื่องที่จะต้องติดตามก นะฮะก็เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าอย่างน้อยไปพบหมอหมอฟันปีอย่างน้สองครั้งนะขู่ทินปูนพูดถึงเรื่องการทําฟันคุณเคยมีความมั่นใจตัวเองไหมว่าคุณดูแลฟันได้สะอาดมากๆคือผมไม่ได้มั่นใจว่าผมเป็นคนไม่ได้มั่นใจว่าเราแปรงฟันตลอดนะคุณเวลาเราแปรงฟันเคยเคยมีใครต้องต้องคิดไหมคะว่าเราจะต้องแปรงขึ้นบนลงล่างอะไรยังไงคือสมัยก่อนอะทาแต่ว่าพอเราโตขึ้นอะเราก็จะว่เฮ้ยครั้งเดียวพอปกติจะมีเช้าเที่ยงเย็นค่ะ ถ้าเป็นเด็กนะพอโตสักปฐมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมัธยมเราก็จะเริ่มเป็นเช้าเย็นแล้วใช่แล้วก็เราทํางานก็เช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยคือดิฉันน่ะดัดฟันมาก่อนนะครับช่วงที่ดัดฟันเนี่ยก็มั่นใจตัวเองในระดับนึงว่าเราก็เรียนรู้ในเรื่องของการแปลงฟันอย่างดีและในทุกๆปีเนี่ยเราก็ใช้สิทธิประกันสังคม900บาทในการขูดหินปูนแต่ปรากฏว่ามันก็มีบางเคสที่มันเกินควบคุมนะล่าสุดนี้ไป เขาเรียกว่าครอบฟันอ่านะฮะมีก็มีเคสอีกนะดิฉันก็มีเคสกับเขาเยอะเหมือนกันนะคุณนะอนะฮะปรากฏว่ามันมีปัญหารากฟันก็คือรากฟันเนี่ยตอนที่ล่าสุดเมื่อเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ย ก็ไปขูดหินปูนแล้วก็คุณหมอเนี่ยทันยแพทย์เนี่ยเขาก็บอกว่ารากฟันซีหนึ่งมันมีปัญหานะมันเป็นสีออกม่วงๆปรากฏว่าเรามาสังเกตเอ้ยมันเป็นสีม่วงจริงๆนะคะเราก็คิดในใจว่าเอ๊เราก็ดูอะไรอย่างดีนะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าพอไปเอ็กซเรย์จริงๆนะคุณผู้ฟังมันไม่ได้เกิดจากการที่ว่าเราแปลง<ร>ไม่สะอาดคือปกติเนี่ยรากฟันเนี่ยก็จะมีลักษณะของการแบบว่าแปลงไม่สะอาดใช่ไหมคะ<ช>บางทีเขาบอกว่าการแปลงใปัจจุบันเนี่ยมันต้องเน้นเรื่องของรากกันนิดหนึ่งนะคะแต่ทีนี้เนี่ยหมอบอกว่มมน้ขึา ข้างบนแล้วมันกดปลายประสาทอ่ามัเหมนมันมันเหมือนมันงอกเพิ่มอนกันนะแมันงอกเพิ่มอ่ะแล้วมันก็กดปลายประสาทด้านในฟันมันทำให้ในตัวฟันเนี่ยส่งผลกัปล่าเสอ่าล่ามเลเได้รับผลกระทบเราก็แบบโอ้โห นะบางทีเนี่ยคนเราก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมันรอบครอบที่สุดแล้วนะแต่บางครั้งบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าสภาพร่างกายจริงๆนะที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันก็เลยนะเไม่ต้องจะเป็นที่เราต้องไปหาหมอฟันแต่ว่าออนในเคสนี้เนี่ยมันน่าจะช่วยในการดูแลได้หรือเปล่าแน่นอนว่าหลายคนบอกว่าอุ้ยไปถอนฟันหรือว่าจะมารู้บางทีก็ไปทําฟันทีนึ่งจะไปจัดฟันถึงต้องรู้เพราะบางทีมีฟันน้ํานมฟันแท้อยู่ในเต็มอยู่ในช่องปากคนไม่รู้ว่าฟันแท้มีเท่าไหร่ฟันน้ำนมเท่าไหร่ด้วยนะนะฮะเอาล่าสุดเรื่องอุทาหรณ์กัน่่ออคแมมกกรงีเด็4ขวบน ฟันเกือบหมดปาก4ี่ขวบนี้ก็ยังยังเป็ฟันน้ํานมอยู่นะ4ขวบอนุบาลเองปีพงเพิ่มยังไป็ฟันน้ํานมอยู่<จ>ะนะจะทานข้าวย่งเงี้ยนะยังไม่ใช่ฟันแทกอย่างนะฮะหลังมีฟันผุลุกลามลุกลามเลยนะฮะเกือบไกลเกินกว่าที่จะแก้ไขนะฮะอืนะคะเรื่องราวนี้ค่ะทันตแพทย์ท่านหนึ่งนะคะโพสต์เตือนผ่าน Facebook ค, ค่ะสถียนเคนสุรวิสันกุลนะคะซึ่งเป็น Facebook ส่วนตัวของทันตแพทย์ท่านนี้นะคะเขาพูดถึงกรณีที่มีผู้ปกครองเนี่ยพาลูกนะคะอายุเพียงแค่4ี่ขวบค่ะคุณ น้องเนี่ยฟันผูกขั้นวิกฤตนะทําการฉีดยาชาสิบสี่เข็มย้าว่าฉีดยายาชาสิบสี่เข็มนะคะถอนฟันยี่สิบซี่ ฟังแล้วเหมือนเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะแต่มันเป็นเรื่องจริงแล้วคุณหมอบอกว่านี่ไม่ใช่เคสแรกที่เจอนะคะซึ่งธนแพทย์เองได้โพสต์นะคะแฮชแท็กบอกว่าไม่มีเจตนาให้วิจารณ์หรือตัดสินว่าใครผิดควรให้เกียรติผู้ปกครองที่โกรนาให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กันขอบคุณน้องหมอกั้งนะคะก็เป็นหมอที่มาช่วยในการดมยาสลบให้กับน้องรายนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะคุณหมอเองก็พูดถึงสาเหตุของ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทําไมฟันน้ํานมในเด็กเนี่ยมันถึงผุนะคะและผุเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างมาฟังดีกว่าอ๋อฟังเผื่อที่ว่าเราจะได้ดูแลน้องๆหนูๆของเราอ่ะนะคะในการดูแลสุขภาพช่องปากกันอย่างแรกเลยนะคะก็คือเขาบอกว่าโครงสร้างของฟันน้ํานมเนี่ยบางกว่าฟันแท้อย่างที่2ค่ะก็คือพฤติกรรมการบริโภคของเด็กนะเช่นกินขนมหวานนะคะช็อกโกแลต ลูกโอมน้ำอัดลมนมเปรี้ยวถุงขนมต่างๆเนี่ยนะคะมีผลกับฟันแน่นอน3ค่ะก็คือผู้ปกครองเองเนี่ยให้เด็กแปลงฟันเองก่อนอายุ8ขวบและไม่ได้แปลงําพูดง่ายๆว่าหลายๆคนบอกว่าเราสร้างสุขอนิสัยให้กับเด็กก็เลยให้น้องแปลงฟันเองนะก็ไม่รู้ว่าบ้วนปากเนี่ย สะอาดหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะแล้วก็แปลงเนี่ยใ น, ใ น, ในทุกๆซอกมุมหรือเปล่านะคะอย่างที่4ค่ะก็คือไม่ได้ใช้ไหมขัดฟันต่อเนื่องไปประจําก่อนนอนนะคะายท่านบอกว่าไหมขัดฟันเนี่ยมีความสําคัญยังไงก็คือคุณหมอบอกว่าไหมขัดฟันเนี่ยนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองเองที่ต้องซื้อมาอมแล้วก็ต้องช่วยในการอ่าช่วยในการขัดฟันให้กับน้องๆหนูๆ น, นะคะจนเด็กในอายุ11ขวบค่ะครับผมเอาเรื่องราวส่วนหนึ่งนะฮะสาเหตุส่วนหนึ่งคือการปล่อยให้ฟันผุลุกละลุกลามเพราะว่าถ้าไม่ได้รักษากันแต่ แต่เริ่มแรกเนี่ย ม, ม, มันก็จะมันก็จะมันติดเชื้อไปฟันอื่นได้นะครับไปอย่างอื่นได้นะครับแล้วก็ไม่รับการเคลื่อนฟูออนไลน์แล้วก็ตรวจฟันอย่างสม่ำเสมอจำ ไ, ได้ว่า แม่ไม่ได้ไปหาหมอแต่หมอก็มาหาเราที่โรงเรียนตอนตอนเด็กๆผมเจอประจําแล้วก็บางคนเนี่ยฮะคุณฟังเจอปัญหาเรื่องของเด็กติดขวดนมซึ่งเขาบอกว่าเขาแนะนําคุณหมอเขาบอกว่าอย่างนี้ควรเลิกนะฮะเมื่อเด็กอายุได้หนึ่งขวบครึ่งการหลับคาขวดนมเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้เด็กเกิดฟันผุและส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่านะเขาบอกว่ามีความเชื่อว่ามีความเขาเรียกเคลืว่าพอเด็กที่ การติดขวดนมแล้วก็หลับไปเนี่ย <คะ S 2> มันทําให้ลักษณะของฟันเนี่ยมันผิดรูปมันเยินใช่ไหมอ่านะฮะแล้วก็บางคนก็หลับคาเต้าโดยไม่ได้ใช้ผ้าเช็ดทําความสะอาดหรือแปลงฟันซ้ํำ <คะ S 2> นอกจากนี้บางคนแปลงฟันนะแต่พอเอินก่อนจะนอนอีกคุณแม่บอกอ้าวดื่มนมหรือยังไปดื่มหรือบางทีแอบไปทานอะไรก่อนทานเสปุ๊อ้าวบ้วนปากแค่นั้นพอแล้วก็ไปนอนไม่ได้แปลงฟันซ้ำนะครับหรือบางทีอ้าว ให้เลือกดื่นดื่นดื่มนมนะฮะแต่ว่าคุณพ่อแม่เลือกที่มีน้ําตาลนะครับมีส่วนะสมของน้ําตาลซึ่งเป็นส่วนประกอบของทําให้เกิดเรื่องของฟันผุได้เช่นนมเปรี้ยวต่างๆอะไรแบบนี้อแน่นอนว่าเป็นเรื่องของคําแนะนําออกมาแต่ว่าจําได้ได้ตอนเด็กๆคือผมมีรู้สึกว่าจะมีเคสวิธีการคือตรวจฟันแปรงฟันเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีเม็ดสีน้ําำสีน้ําตาลแดงมั้งแล้วก็ให้เคี้ยวเขียวแล้วก็อะไร รู้สึกว่าให้เช็คเกี่ยวกับเรื่องของฟูออลายหรือความ uh huh. ความแข็งแรงของฟัน uh huh. แล้วก็จะให้อ่าเอาลินดด้นดุลกลียว uh huh. ทั้งหมดแล้วก็บวชนิ้ง uh huh. พอบวชท uh ิ huh. งง้งเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเช็ค ก, กับคุณหมอ uh huh. กับเหมือนอ๋อไอคุณครูพยาบาลตอนนั้น uh huh. อ่ะอออืแล้วก็เขาก็จะมีฟูออลายมาให้แล้วก็วิธีการโอ้ยตอนนั้นก็เป็ น, เ ป, นเป็นช่วงของการดูแลต้องต้องบอกว่าเรื่องของการดูแลฟันถ้าเราได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอเองเนี่ยมันก็ทําให้เรื่องของฟันเนี่ยอ สุขภาพมันก็จะดีขึ้นใช่เมืผอบอกว่าฟันผมสวยนี่อวยอยู่ตัวเองแต่อกว่าก็สวยอยู่ถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรมันก็ดีนะใช่แต่ปัญหาคือตอนนี้เราเริ่มเริ่มแล้วอายุมากขึ้นฟันจะเริ่มผุต้องสังเกตตัวเองเขาก็บอกว่าหมอหมอฟันแล้วพี่แล้วก็บอกว่าให้ไปอุดก่อนที่มันจะลามก็คือเขาก็จะเขาเรียกว่าเจาะนะเจาะหน่อยหนึ่งแล้วก็ใช้ตะกุอะไรเขาไม่เล่นรตะกวดหรืออะไรเป็นเป็นเป็นเป็นตัวยาแล้วก็อุดเข้าไปให้ แด่วนี้เขามีทหลายหลายแบบนะเขามีเนื้อที่ทำเหมือนฟันจริงออกมาแล้วนะแบบเทียบสีเลยนะคุณผู้ฟังเรื่องของฟันนะฮะใกล้สิ้นปีแล้วประกันสังคมไปใช้กันหรือยังนะครับหูหินปูนเก้าบาทถ้าจะเพิ่มกว่านั้นก็จ่ายเองนิดหน่อยนิดหน่อยนะถ้าุีฟันเพิ่มเติมนะก็ลองดูลองอุดฟันในรอบนี้เสร็จปุ๊บ ต้นปีไปทําใหม่ได้ได้เลยเพิม่มเติมเพราะบางทียังจีอยู่ในงบนะฮะอ้ะอามาถึงเรื่องราวนึงน ะ, ะของกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันตอนนี้เนี่ยล่าสุดเขามีกรณีนี้เกิดขึ้นคุณผู้ฟังเปียวพงศ์เป็นสิ่งที่เรียกกันว่าสแตมมรณะอนึกถึงภาพแสแตมนะคะโอ้สมัยก่อนนะสแตมนะอ่าน้องแลบลิน้นเขาต้องแลบลิ้นแปะใช่ไหมซองด้วยเออไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขายังทํากันอยู่หรือเปล่านะคะแต่ทีนี้เนี่ยในในวงการนี้เนี่ยมันคือสแตมมรณะหรือที่เรียกกันว่ากระดาษเมานะคะก็ตอนนี้เองเนี่ยเขาบอกว่า กรณีนี้ เ, นเกิดขึ้นแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขเยเขาบอกว่าในไทยนยังไม่พบการแพร่ระบาดนะแต่ก็ขอเตือนไว้ก่อนนะคะสำหรับใครที่เจอเจ้าสแตยมรณะหรือว่ากระดาษเมาเนี่ยนะคะอย่าเสพค่ะเพราะว่าอาจจะเสี่ยงเสียชีวิตและทําให้เกิดอาการประสาทหลอนรุนแรงค่ะอ้าวออกมาเตือนนะคะจากทางนายแพทย์มานาทัทโพธาภร์ท่านรองที่ประดิกรมการแพทย์บอกว่ากระดาษเมาหรือกระดาษมาสจาันรหรือสแตมมรณะเนี่ยเป็นสาร LSD <SD S 2> เป็นสา ร, สารเสพติดนะอยู่ในประเภท1ออกฤทธิ์ร้อน ระอาล้อนประสาทม่หยดลงบนกระดาษที่มีกระสมบัิดูดซับมีลวดลายสีสันต่างๆแบบเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะคล้ายกับสาแตมและนำมาโอมไว้ใต้ลิ้นออกฤทธิ90์90าถึงนาทีออกฤทธิ์นาน 8-12 ชั่วโมงเลยนะครับตัวสารนี้เนี่ยที่อยู่ในกระดาษเนี่ยจะทำให้รูม่านตาขยายอุณหภูมิร่างกายจะสูงขึ้นความดันเลหิตจะสูงอัตราการเต้นหัวใจก็จะเร็วขึ้นเงืองก็จะออกส่งผลให้นอนไม่หลับ ปากแห้งตัวสั่นเบื่ออาหารเมื่อเสพสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายระยะแรกจะทําให้มีความสุขนะอารมณ์ดีรู้สึกคึกคักแต่หลังจากนั้นมันจะรู้สึกประสาทร้อนประสาทรลอนนั่นงเปิดภาพหรือเหตุการณ์แอดีตเกิดอาการหวาดกลัวบางรายทําร้ายตัวเองหรือบางคนฆ่าตัวตายด้วยไปแบบฆ่าตัวตายด้วยนะคะสิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะทางด้านความเห็นของนายแพทย์สรายุทตบุญชัยพานิชวัฒนาค่ะผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูติด ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีนะคะบอกว่าสาร LSD เนี่ยทำให้ผู้เสพนะคะมีปัญหาด้านการรับรู้การคิดแล้วก็การตัดสินใจนะคะนำมาซึ่งเหตุรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อตัวเองแล้วก็คนอื่นเช่นการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะการทําร้ายตัวเองแล้วก็ทําร้ายผู้อื่นด้วยถ้าหากว่ามีการเสพเกินขนาดนะคะก็จะมีความเสี่ยงทําให้เกิดปัญหาทางจิตเรื้อรังเป็นโรคทางจิตเภทนะคะโรคซึมเศร้าเกิดอาการหวาดระแวงหูแว่วเห็นภาพหลอนนะคะสําหรับในประเทศไทยเอง ไม่พบว่ามีการระบาดของกระดาษมากระดษมหัศจารย์หรือว่าสแตมมรณะค่ะก็มีบ้างที่อาจจะพบเห็นในนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะแต่ว่าจากสถิติของผู้เข้ารับการบําบัดรักษายาเสพติดของสบอยอชอแล้วก็โรงพยาบาลธัญรักษ์ภูิภาคในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะยังไม่มีผู้ป่วยที่เข้ารับการบําบัดรักษาจากเหตุการณ์นี้ค่ะซึ่งการมีข่าวเรื่องนี้เองคหมอบอกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะที่ทําให้ทุกๆคนนั้นเริ่มเฝ้าระวัง แต่ก็อยากจะเตือนแนะนําผู้ปกครองเองด้วยนะคะไม่ต้องตื่นตระหนกแต่ว่าควรจะต้องสังเกตพฤติกรรมบุตรหลานนะคะถ้าพบ ว, ว่ามีพฤติกรรมคล้ายๆแบบนี้นะคะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต้องรีบพูดคุยเพื่อบอกกล่าวอันตรายแล้วก็ผลกระทบที่จะตามมาค่ะอืมอ้าวก็เป็นสิ่งที่ออกมาเฝ้าระวังนะฮะเรื่องของพิษภยัยยาเสพติดนั่นเองมาดูเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจกันหน่อยกรุงเทพของเราเองเตรียมจะมีงานนะฮะใช่แล้วพื้น<ม>ที่หาที่ท่องเ<ฮ>ที่ยวให้กับคนกรุงดิฉันว่าคนต้องมารวมกระจุกตัวกันอยู่ที่นี่แน่นอน เพราะว่ากรุงเทพมหานครค่ะเตรียมที่จะปิดถนนนะคะคุณน่าจะมี3มจุดหลักเลยนะคะทําเป็นถนนคนเดินเมืองกรุงนะคะเราจะมาเดินที่เมืองกรุงกันแล้วนะดีเดย์เริ่มต้น15บธันวาคมนี้ค่ะครับผมท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณสกุลทีภัทยกุลนะฮะเปิดเผยถึงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีฮะอยากให้มีการจัด ก, กิจา ก, ก, ารกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวในกรุงเทพเร่งด่วนแบบระยะเร่งด่วนนะเเ3ด เ, เดือน แล้วก็จะกิจกรรมที่จะมีจัดต่อเนื่องไปอีก1ปี 1> มีจุ ด, ดไหนกันบ้างไปดูการวดเร็วคุณผู้ฟังนะฮะเตรียมตัวกันให้พร้อมนะฮะจุดแรกบริเวณถนนสีลมเขตบางรักแน่นอนว่าสีลมเองก็เป็นแบบแลนมาร์าดังอยู่แล้วนะในทุกปีอ่านะฮะเขา จ, จัดรูปแบบถนนสีลมคนเดินนะฮะมีจําหน่ายสินค้าออกบูธร้านอาหารชื่อดังการแสดงดนตรีปิดตั้งแต่บริเวณแยกสารแดงถึงแยกว่านารมย์น่าจะเป็นจุดเดิ ม, มนะฮะเปิดเที่ยงตรงถึง ถึง4ทุ่มจัดวันแรกนะฮะอาทิตย์ที่15ธันวาคมและก็จัดทุกวันอาทิตย์ที่3ขอ ง, ของทุกเดือน น, อนะครับตั้งแต่ธันวาคมปีนี้จนถึงพฤษภาคมปีหน้าแล้วก็จะดูอีกทีว่าเอ้ยผลตอบรับเป็นอย่างไร อ, อีกที่หนึ่งคุณอีกที่หนึ่ง ะ, ะถนนนี้นะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะประจุกตัวรวมกันเพราะว่าไปง่ายมากๆเลยสําหรับถนนเยาวราชนะคะเขตสัมพันธวงศ์นั่นเองก็จะเป็นรูปแบบเยาวราชถนนคนเดินนะคะคุณจะมีการจําหน่ายอาหารการแสดงดนตรีประดับไฟกําหนดจัด ในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เลยนะคะเริ่มตน้นค่ะ 13-15 ธันวาคมนี้เป็นต้นไปในช่วงเวลา19นาฬกาถึง24นาฬิกาพื่ง่ายคือ1ทุ่มถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนนะคะในวันศุกร์และก็วันเสาร์เนี่ยเขาจะมีการปิดช่องการจราจรด้านซ้ายสุด1ช่องทางนะคะและด้านขวาสุดหนึ่งช่องทางค่ะเพื่อรถสามารถสัญจรได้ส่วนวันอาทิตย์นะคะจะปิดถนนแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะตั้งแต่บริเวณแยกเฉลิมบุรีถึงแยกราชวงศ์ให้ประชาชนสามารถเดินจับจ่ายซื้อสินค้า ก็รับประทานอาหารได้อย่างเต็มที่ขณะที่ถนนเข้าสารนะคะเขตพระนครเองเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันนะฮะเป็นกิจกรรมแสดงด้รรานศิลปวัฒนธรรมนะคะให้หนักท่องเที่ยวได้ชมมีอะไรบ้างนะ่าสนใจนะมีพิพงศ์เขามีแสดงโขนนะคะมีหนังตลงุงซึ่งกําหนด จ, จัดนะคะทุกวันจันทร์ค่ะเวลาตั้งแต่วันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะโดยหลังจากวันที่15มกราคมปีหน้านี้จะปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบถนนคนเดินนะคะซึ่งกรุงเทพมหานครนั้นมีแผนดำเนินการอยู่ก่อนแล้วค่ะอาจจะมีการปิด ถนนตะนาวแล้วก็ถนน13ห้างเพิ่มเติมเพื่อจัดเป็นถนนคนเดิมแบบเต็มรูปแบบนะคะก็จะมีการออกร้านจําหน่ายสินค้าแล้วก็กิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมตอนนี้อยู่ในเรื่องของการหารือความชัดเจนนะคะเพื่อดาเนินการต่อไปค่ ะ, ะไปอีกจุดหนึ่งคือผู้ฟังนะฮะที่คลองบางหลวงเขตภาษีเจริญตรงนี้จะมีวัดเก่าแก่นะ<ช>มีวัฒนธรรมริมคลองที่น่าสนใจอีกอย่างก็จะมีกิจกรรมเหมือนเดิมฮะการจําหน่ายสินค้ามีผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก15เขตฝั่งทนมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจัด 6ครั้งนะฮะทุกวันเสาร์อาทิตย์เริ่ม18มกราคมปีหน้าถึงกุมภาพันธ์นะฮะโดยจะเพิ่มความถี่การเดินเรื อ, อไปะะที่นี่นะฮ ะ, ะทุก30นาทีนะฮะออกทุก15นาทีนะฮะทุก15นาทีะ น, นะคือให้เร็วขึ้นอำนวยความสะดวกใครที่จะไปนะครับสถานที่นี้เอง เ, องเนี่ยก็จะจัดในรูปแบบของอาหารชุมชนการแสดงดนตรีประดับไฟแล้วก็จัดแบบรายไตยมารนะครับก็ติดตามกันได้ ก็คือตั้งแต่ปลายปีนี้ก็จะเห็นกิจกรรมะะต่างๆเกิดขึ้ น, นะะมีแต่พื้นที่ที่เป็นถนนหลักๆแล้วก็เป็นถนนที่มีเรื่องของเศร็ประฒนธรรมกันนะคะตอนนี้เองเนี่ยก็ เป้าหมายนโยบายหน้านะเขาบอกว่าใน50เขตก ร, รุงเทพมหานครนะค ะ, คะจะต้องมีแผนในการเสนอกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยนะคะถ้าจุดใดมีศักยภาพสามารถจัดได้ก็ะจะดทยอยจัดกิจกรรมในปีหน้าแน่นอนนะคะกรุงเทพมหานครพร้อมจะกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปีค่ะโดยจะมีการจัดทําปฏิทินการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบด้วยค่ะอา้าวสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะฮะมีถนนคนเดินมันต้องปิดถนนแต่เรื่องของการจราจรเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางภาครัฐกำลังวางแผนกันอยู่ก็คาดว่าถ้า จะไปก็ลองวางแผนกันดูว่าเอ๊ะมันมีรถไฟฟ้าใต้ดินไหมมีเรือไปหรือเปล่ารจะได้คล่องตัวนะเวลาขับไปเราจะไม่ต้องหุดหงิดโอ๊ยหาที่จอดรถลำบากจังเลยอยากกลับบ้านเราเร็วเดินจนเมื่อยนะแต่ถ้ารถไฟฟ้าแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะเตรียมเปิดให้บริการอีกนะฮะในปีนี้เป็นข่าวดีสำหรับคนที่จะเดินทางนะฮะสสถานีนะครับตั้งแต่4ธันวาคมถึง2มกราคมปีหน้า ใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้เองเนะในชันดูที่หัวของรถไฟฟ้านะเปี่ยพงษ์เขาก็มีเขียนแล้วนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะเขาจะเขียนขึ้นเป็นสถานีเลยน่าจะเป็นเรื่องของการทดลองระบบอยู่นะคะคทางด้านของคุณสุราชเจริญชัยสกุลค่ะรองผู้อำนวยการสํานักการจราจรและขนสง่งรัศก า, าการแทนผู้อํานวยการสํานักการจราจรและขนสง่งกรุงเทพมหานครนะคะก็มีกา ร, ปรเปิดเผยบอกว่าตามที่กระทรวงคมนาคมเองเนี่ยมอบหมายหน่วย ง, งานที่เกี่ยวข้องให้ไปศึกษาแนวทางการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าโดยไม่มีผลกระทบต่อสัญญา เพิ่มในความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้โดยสารลดภาว ะ, ะภาระค่าครองชีพด้านค่าจ่ายนะคะในการเดินทางให้กับประชาชนของกรุงเทพมหานครทั้งนี้นะคะพลตํารวจเอกอัศวินขรนเมืองค่ะผู้ว่าชการกรุงเทพมหานครเองก็ได้เห็นชอบชะลอการจัดเก็บค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวแบริ่งสมุดประการและช่วงหมอชิดสะพานใหม่คู่คดนะคะจากสถานีหมอชิดไปถึงสถานีมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งจะมีการเปิดให้บริการในวันที่4ีธันวาคมนี้จนถึงวันที่สอง มกราคมปีหน้าเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนค่ะครับผมเอามาดูหน่อยหลังจากที่เปิดขยายไปมีอะไรบ้างที่เปิดเรียกว่าไฮแยกรัเท้านะใช่ค่ะอ่ะต่อไปก็จะเป็นสถานีพหลโยทินนะครับสถานีรัชโยธินสถานีเสนานิคมสถานีมหาวิทยาศาสตร์มีรีวิวออกมาเสียงคนที่ประกาศอยู่ในสถานีก็คนเดิมคนเดิมคุรัฐเกล้าคุณพี่ตงเหน่งของเรานั่นเองนะฮะอ้าวแน่นอนว่า การเดินทางแบบนี้แล้วเนี่ยก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ลดการหนาแน่นของบริเวณถนนพุนโยทินช่วงให้แยกรัดพราวจนถึงสะพานใหม่ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีสถานศึกษาศูนย์ราชาการชุมชนอาศัยอยู่หนานแน่นด้วย<ท>ะนะครับแล้วก็การเดินทางเนี่ยบอกว่าจะมีความถี่ในการเดินรถ4นาทีต่อขบวนถ้าช่วงเวลาปกติก็เฉลี่ยประมาณสัก 6-8 นาที น, นะครับนะอาสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งผมมองคิดภาพไวๆไมเมื่อรถไฟฟ้าขยายต่อไปได้รถตู้ต้องตามรถตู้ต้องขยับตามเพราะ <รถ S 1> ค, คนจะไปลงสุดท้ายอยู่ที่มอกษตร S <S <S <S เพราะต้องไปต่อรถที่นั่นส่วนหนึ่งคนจะลงที่าลาดพร้าวเซน็นท่าลาดพร้าวใช่ค่ะถ้าไปที่เกษตรปุ๊บคนจะขยับต่อเพราะมันวิ่งฟรีไงคนกระจุกที่เซ็นท่าลาดพร้าวยาวมากนะตอนนี้คนก็ต้องขยับต่อปัญหาต่อไปเรื่องของการจราจรจะอยู่ที่นั่นนะครับอ้าแต่ก็แล้วแต่นะครับใครที่อยู่ในระแวกนั้นก็จะเดินทางง่ายขึ้นอ่ะนี่ก็เป็นข่าวดีนะฮะตอนรับปีใหม่กันด้วยเช่นเดียวกันนะฮะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวคุณมาอัปเดตนะ ภารกิจของคุณภารกิจอันมากมายคุณดิฉันจะมาเล่าในสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นยังไงคือเป็นสิ่งที่เอามาเตือนเอามาแนะนําเพราะว่าบางคนเนี่ยพอไปปุ๊บมันมีฉุกกระหゅกจริงๆถ้าไปคนเดียวหรือไป2คนจะลําบากแต่นี่คือยังไปเป็นทีมยังสามารถใช้งานได้เรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามสัปดาห์หน้าหมดเวลาแล้วค่ะกับกรอบข่าวเช้าวันสุกรับค่ะเจอกันครั้งหน้ากับเรา2คนนะคะวันนี้ดิฉันอาทิตยาปกรณ์นางและคุณบิพพลเคนทวายราก่ะไปก่อนขอบคุณประสบกาติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะสวั fm 89.5 MHz มสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี รับฟังออนไลน์ที่ทาง www.bredio.rmutt.ac.th ท026917738